ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องแก้เครียดแบบไหนดีโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่17ตุลาคม2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัด น, นี้ค่ะ ขอโอกาสเป็นเตน้ำมูครับอาจจะเรียนทพวกเราทุกๆค น, น, นก็บันอาทิตย์นะเป็นธรรมดาที่พวกเราเองก็อาจจะว่างจากภารกิจการงานมีโอกาสได้มาวัดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็นานๆทีนะคารวะญาติโ ย, ยมมีโอกาสที่จะมาวัดก็เรื่องในวันหยุดนะส่วนใหญ่ก็มักจะหยุดงานในวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ ทั้งๆที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะบริษัทหลายที่หลายแห่งที่เขาเคยบางทีเนี่ยทำกันตลอดทำกันไม่หยุดทุกวันนี้หลายบริษัทก็เริ่มมีวันหยุดมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยต้องลดวันการทำงานลงมานะจริงๆอาจมาว่าโชคดีเหมือนกันนะทำให้พวกเรามีเวลามากขึ้นทาให้มีโอกาสที่จะมาวัดนะหรือว่ามาฟังเทศฟังธรรม แต่หลายคนเลยเหมือนกันพอเวลามีโอกาสมีเวลาแทนที่เราจะมาเสาะสแสวงหาสิ่งที่จะช่วยบำรุงบำเรอใจเราให้เราเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นนะสดชื่นจริงๆนะด้วยรสของธรรมะแต่บางทีจะไม่อย่างนี้อ่ะหลายคนที่บางทีเราอาจจะใช้เวลานะไปเที่ยวเตรดูหนังฟังเพลงหรือว่าทำอะไรที่ตามใจชอบของเรา ซึ่งมันก็เป็นการระบายออกอย่างหนึง่งเพราะบางคนเขาก็บอกว่าทำงานมาโอ้โหตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เครียดล้นะตึงล้วเพราะนั้นเขาคิดว่าวันหยุดนี่เขาควรที่จะปล่อยอะไรได้ตามใจชอบเลยนะคือตามความอยากของใจใจอยากจะทำอะไรยังไงก็ทำอย่างนั้นแล้วเขารู้สึกว่าอย่างนั้นแหละเป็นการได้ระบายออกเป็นการที่ผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งมันก็จริงอยู่อย่างหนึง่ง แต่ว่ามันจริงในแบบของเขาเรียกว่าแบบของโลกียชนหรือแบบของปุถุชนคือมันเป็นการระบายออกที่ทำให้ความเครียดของเราลดลงก็จริงเพราะคนเราที่มันเครียดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ไรสมใจไม่ได้อะไรตามใจหรือว่าไม่เป็นที่พอใจก็เลยตึงเครียดหรือบางทีทำการงานอย่างเงี้ยมันต้องเร่งร้อนมันต้องเร่งรีบก็เลยรู้สึกนตึงมันการที่เรารู้สึกว่าเราได้หยุด เราไม่ได้ต้องทําอะไรตามที่มันมีข้อแม้มีข้อบังคับมีเวลากําหนดเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้นะตามใจเราได้เนี่ยแม่มันผ่อนคลายทันทีเพราะฉะนนั้นความรู้สึกของคนทั่วไปคือการผ่อนคลายคือการได้ตามใจกิเลสคือการผ่อนคลายนะโดยทั่วไปเขาจะเข้าใจอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงเพราะการที่เราผ่อนคลายในยลักษณะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นการผ่อนคลายก็เป็นการผ่อนแบบ ช่วครู่ช่วยามไม่ได้เป็นการผ่อนจริงๆเพราะอะไรเพราะเรายิ่งไปผ่อนคลายในลักษณะที่เป็นอบายมุกนะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยไปดูหนังฟังเพลงนะไปเที่ยวเนี่ยตามครับตามผับตามบาร์ตามห้างสรรพสินค้าตามอะไรที่มันมันได้สักใจนะยิ่งบางคนไปลงกินเหล้ากินยาสูบบุหรีติดยานะไปมั่วสมไปอะไร เขาก็ว่ามันผ่อนคลายของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งเสพแล้วมันก็ยิ่งติดแล้วคนนั้นเมื่อยิ่งเสพยิ่งติดอย่างนั้นก็ยิ่งต้องใช้วิธีนั้นผ่อนคลายไปตลอดแล้วไม่ไม่ใช่ว่าผ่อนคลายแล้วจะทําให้เบาเบาขึ้นนะไม่หรอกพอเดี๋ยวพอเวลากลับมาทํางานหรือเรากลับมาเจอสิ่งที่เราประจําอยู่ที่เราต้องทําเดี๋ยวคนนั้นก็ตื่นขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาที่ตัวต้นเหตุจริงๆแต่มันไปแก้ปัญหา ตรงที่ว่าให้เราได้สมใจเถอะแล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่เขาไม่ถูกใจอะไรมาเขารู้สึกตึงเครียดเขาก็ต้องไปหาอะไรที่สมใจสมใจสมใจเขาถึงจะผ่อนคลายวันยิ่งนานวันเขา้าคนนี้เมื่อรู้สึกตึงเครียดคนนี้ต้องไปหาสิ่งที่สมใจแล้วมันจะต้องเพิ่มขึ้นหรือมันจะต้องหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาถึงจะสมใจได้เพราะค น, คนเราเนี่ยนะ ถ้าอะไรสมใจแบบธรรมดาธรรมดามันเคยชินแล้วมันเขาจะต้องหาสิ่งที่มันแปลกมันใหม่มันสมใจหนักกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆจน จ, จ, จนทำให้เขารู้สึกว่ามันถึงถึงใจนั่นแหละแล้วมันถึงจะผ่อนคลายอารมณ์ออกไปได้เพราะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นการที่เรายิ่งไปทำให้กิเลสเราเนี่ยเพิ่มหรือความปรารถนาความต้องการของใจเรา ที่จะให้สมใจเราเนี่ยมันเพิ่มแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆอาตมาเคยเขียนบทความมานานแล้วแหละถึงหลายๆวิธีที่คนเราเนี่ยเมื่อเวลาตึงเครียดแล้วก็มักจะไปหาวิธีการผ่อนคลายหรือบางคนเนี่ยเบื่อเซ็งโลกบางทีไม่ได้เซ็งโลกอะไรหรอกเซ็งโลกนี่ก็หมายถึงว่าเซ็งหน้าคนบางคนไม่อยากเห็นหน้าเพราะว่าต้องอยู่บ้านเดียวกันบ้างต้องอยู่ที่ทางานเดียวกันบ้าง หรือบางคนไม่เซ็งคนก็ได้บางคนเซ็งสถานที่เซ็งงานที่ตัวเองทําทําไมมันจะต้องจําเจ อ, อยู่อย่างนี้ทําไมมันต้องซ้ํำซากอยู่อย่างนี้เบื่อเซ็งอันนี้สร้างความเครียดได้ทั้งนั้นเพราะว่าพอคนเรามันไม่สมใจไม่ถูกใจเนี่ยมันเริ่มเกิดเกิดจิตที่พลักจิตที่ไม่ยินดีจิตที่ไม่พอใจซึ่งจิตเหล่าวนี้เสียพลังมากเพราะมันไม่ใช่จิตที่เบาสบายแบบของธรรมะนะมันไม่ใช่จิตแบบเบาสบาย ัคนนี้ก็ต้องหาทางออกทางออกที่แย่ที่สุดที่หนักที่สุดที่เป็นทางออกแบบของปุถุชนทั่วๆไปคือการที่ไปผ่อนคลายจนถึงขั้นใช้ยาเสพติดอันนั้นน่ะยากที่สุดแล้วสังคมทุกวันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าปัญหาที่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งในเด็กนักเรียนเดี๋ยวเนี้แม้แต่พวกยาอียาบ้ายาอะไรนี่มันเข้าไปถึงหมดละ เด็กนักเรียนเด็กประถมนี่แหละก็มีแล้วจนกระทั่งเขาบอกว่าแทบทุกลงเรียนเลยนะจะต้องมียาเสพติดอยู่ยกเว้นน้อยโรงเรียนมากบางคนเขาบอกว่าเอายกเว้นยกเว้นโรงเรียนอนุบาล <c oughs> อัตมาบอกเอากูรู้ได้ยังไงไม่แน่นะ <c oughs> อ, อนุบาลก็อนุบาลเถอะไม่แน่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่ว่าเด็กอยากจะไปติดแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่แหละที่ไปบางทีเนี่ย ไปทําให้เด็กติดเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เด็กติดแล้วในที่สุดเด็กต้องเรียกร้องกับพ่อแม่หรือกับคนอื่นๆเพื่อที่จะต้องเอาเงินมาซื้อกับผู้ใหญ่เด็กไม่สามารถจะซื้อเองหรอกแต่เขาเอาศัยเด็กเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสาวขึ้นไปถึงเงินทองจากผู้ใหญ่หรือจากผู้ปกครองเพราะเราจะให้เห็นได้เลยว่าเนี่ยการผ่อนคลายของปุถุชนมากๆเขาก็จะไปติดพวกยาเสพติดพวกที่มันหยาบยาบหนักๆแบบนี้แหละ แล้วเขาผ่อนคลายจริงไหมไอตอนที่เขาติดอยู่เขาผ่อนคลายจริงๆอ่ะมันลืมโลกเลยเพราะว่าฤทธิ์ยานี่ไปทําให้มันหลอนประสาทใช่ไหมมันทําให้เขารู้สึกแหมเขาบอกว่าโอ้โหยังก็ขึ้นสวรรค์เลยมีหนังอยู่เรื่องพวกเราพ่อท่านผ่านเซ็นเซอร์มามาฉายให้ดูเรื่องสีทันดอนธร ม, มาว่าหนังเรื่องนี้ดีมากเขาสร้างให้เห็นเลยว่าเออคนติดยาเนี่ยเพราะมีความทุกข์มีความเครียดมีปัญหายังไง จนกระทั่งไปติดยาซึ่งให้เห็นเลยว่าพวกที่ติยาพวกนี้เนี่ยคือพวกที่จิตเนี่ยอ่อนแอมากจิตเนี่ยไม่คิดที่จะพยายามต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองเพราะในที่สุดก็จะหาทางออกแบบง่ายๆทางออกที่จะแบบว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นเราหนีจากปัญหาที่เราคิดอยู่ในสมองของเราเนี่ยแล้นเราจะหนีปัญหาหนีตัวเองจริงๆแล้วก็คือหนีปัญหาของตัวเอง เพื่อที่เราจะได้ลืมๆเลยซะไม่ต้องไปคิดถึงปัญหาที่มันทุกข์อยู่จะจากพ่อแม่จะจากพี่น้องหรือจะจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ที่จิตตัวเองได้ก็ต้องไปพึ่งถึงกับพึ่งริษยาหรือว่าพึ่งวัตถุอื่นเพื่อที่จะเอามาใช้แก้จิตตัวเองเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ใช้วิธีพวกนี้ผ่อนคลายแต่เห็นไหมบอกแล้วว่า วิธีแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้คนนั้นยิ่งติดหนักขึ้นไปกว่าเดิมกิเลสก็หนักความต้องการปัถนาหนักขึ้นไปกว่าเดิมแต่เราจะเห็นได้ชัดเมื่อเวลาที่พอเขาติดยาเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่ได้เสพเขาจะทุกข์มากเลยเห็นไหมจะดินน้นรนจะทรมานหนักกว่าเดิมอันนี้เราเห็นผลได้ชัดเห็นผลได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นความหยาบมากเราเลยเห็นได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่โอโ้โหไม่มี จิตไม่มีกิเลสที่มันหยาบที่มันหนักขนาดนี้นะคนที่มีสติอยู่บ้างจะไม่ยอมเลยเพราะรู้ว่าโอ้โหไปทําอย่างนี้แล้วนี่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเราจะทุกข์หนักกว่าเดิมมันไม่ได้แก้ปัญหาแต่มันเป็นการที่เพิ่มปัญหาเพิ่มความทุกข์ให้คนนั้นหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่พอจะมีสติอยู่แล้วพอที่จะควบคุมอารมณ์จิตของตัวเองได้บ้างนี่จะไม่ยอมไปลงถึงขั้นห ย, ยาบๆบอย่างนั้นเพราะพวกนี้ก็จะหยาบน้อยลงมา นะอาจจะหาทางออกด้วยอาจจะเป็นของเสพติดอยู่แต่เบาลงมาใช่ไหมแทนที่จะไปติดยาแบบให้ทั่วเห็นชัดๆหนั ก, นกๆต้องมาติดแบบเหล้ า, าบุหรี่นะหรือว่าอะไรสถานที่เรื่องลมหรือว่าไปเที่ยวอะไระสถานที่ที่มันมีพวกพวกของเสพติดพวกนี้แต่ว่ายังอ่อนลงมานะจะกินเหล้าวายเหล้าอะไรก็แล้วแต่คือพวกนี้เนี่ย คือทางการเนี่ยรัฐบาลอนุญาตใช่ไหมว่าเอาเหล้าขายได้บุหรี่ขายได้แม้ว่าเขาก็รู้ว่าเป็นของเสพติดนี่แหละแต่เขาอนุญาตวันพวกนี้เขาก็ถือว่าเอ้าไอ้อย่างงี้นี่ไม่เป็นไรนะเป็นเครื่องที่มาผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความรู้สึกได้วันพวกนี้เขาก็ทำอย่างนี้นะก็ก็ใช้ก็ใช้อย่างนี้แหละเพราะว่าบางคนก็ติดเหล้าติดบุหรี่ นะหรือว่าติดกาพนันติดอะไรที่มันเป็นอบายมุกที่มันมันหยาบน้อยกว่าอันแรกแล้วแต่ลักษณะนี้ก็เป็นการผ่อนคลายที่เรียกว่ายังเป็นอบายมุกอยู่นะยังอยู่ในลักษณะของปุถุชนอยู่เลยถ้าขึ้นมาดีกว่านี้อีกหน่อยนะเริ่มขึ้นมาระดับที่จะเรียกว่ากัญยาณชนขึ้นมาเมื่อเวลาเราตึงเครียดเราเกิดทุกข์เราเกิดปัญหาขึ้นมาพวกที่เป็นกัญยาณชนขึ้นมาแล้วนี่ จไม่ะไม่ที่จะไปแบบว่าไอ้ของเสพติดของอะไรหยาบหยาพวกนี้นี่พยายามไม่ละแต่ก็ยังไม่ไม่มาวัดนะหรือว่าไม่ใช้วิธีที่จะเป็นธรรมะเนี่ยเอามาคลายจิตคลายใจยังไม่ใช้นะแต่ยังจะใช้วิธีการโลกๆนี่แหละอาจจะไปดูหนังอาจจะไปฟังเพลงต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะไปเที่ยวสถานที่อะไรต่างๆซึ่งเป็นการเที่ยวจริงๆเที่ยวเพื่อที่จะ ให้รู้สึกว่ามันหลุดพ้นมาจากสถานที่ที่เราจำเจอยู่สถานที่ที่เราตาหูตาตาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะถือว่าเออถ้าเปลี่ยนมาได้มันเหมือนกับว่าเออได้ทิ้งสลัดทิ้งไปชั่วคราวจิตใจมันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะนั้นบางคนนี่นะพอเวลามีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องหาที่เที่ยวหาที่เปลี่ยนสถานที่เพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายขึ้นมา แต่พวกนี้เนี่ยยังหาสถานที่ที่มันยังมันยังเป็นอบายมุกอย่าง อ, อ่ อ, อนๆเนี่ยยังยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ผิดกฎหมายเท่านั้นเองเนี่แหละอาจจะไปเที่ยวห้างนะดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆอันนี้นี่มายกตัวอย่างให้ฟังแต่อย่างนี้ยังไม่เข้าสู่สภาพของอริยชนยังอยู่ในระดับที่เรียกว่ายังมีอบายมุกอยู่จนกระทั่งถ้าจะเข้าสู่ระดับที่จะเป็นอริยชนได้เนี่ย หมายถึงว่าแก้ไขที่พยายามให้ถูกจุดให้ถูกเป้าขึ้นมาได้เพราะจิตคนเราจริงๆเนี่ยที่มันทุกข์เนี่ยมันทุกข์ก็ที่จิตใจเรานะเราไ ป, ป, ปเผชิญปัญหาอะไรมานะแล้วเราก็คิดอย่างงั้นเราก็นึกอย่างงี้จนกระทั่งจิตเราเนี่ยมันทุกข์มันกุ้มมันกังวลมันกลัวแล้วเราก็เลยทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเราเพราะปัญหาจริงๆริมันอยู่ที่ที่จิตใจเราเนี่วันถ้าเริ่มเข้าสู่กระแสของอริยชนได้ นะเราเข้าใจประเด็ดนนี้เราเข้าใจจุดนี้ได้เนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มฉลาดเริ่มที่จะรู้ว่าเออควรจะไปคุยอย่างเช่นเราทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยเราไปคุยกับคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่จะแนะนำเราในทางที่ดีได้เนี่ยจะเริ่มฉลาดที่จะหาคนปรึกษามันอาจจะยังไม่มาวัดก็ได้นะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เรารู้จัก ที่เราสามารถที่จะไปปรึกษาได้เราจะไปปรึกษาแล้วมันจะแก้ตรงปัญหาด้วยจะแก้ตรงจุดด้วยอย่างน้อยเนี่ยนะไปปรึกษาแล้วคนคนนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะ ม, มาช่วยเหลือเราได้เต็มที่แต่เาแต่เขาจะให้คำแนะนำให้ให้สิ่งที่เราเองเนี่ยอาจจะไปมีวิธีคิดหรืออาจจะไปฝึกทาจิตทาใจขึ้นมาอย่างนี้แหละเริ่มเริ่มค่อยเข้าสู่ ความเป็นอริยชนขึ้นมาเพราะว่าเริ่มที่จะไปแก้ปัญหาที่ตัวเราเองจริงๆแก้ปัญหาที่จิตใจของเราจริงๆแต่ถ้าจะให้ชัดแล้วให้ตรงเป้าตรงประเด็นที่สุดนะจริงๆแล้วต้องใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาจิตใจเพะฉะนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วเราควรมาวัดนะคุณมาฟังธรรมแต่ตอนนี้มาฟังเทศน์ฟังธรรมบางครั้งอย่างอย่างอย่างวันเนี้ย อาตมาก็ต้องอาตมาก็นึกจะเทศอะไรอาตมาเทศไปใช่ไหมอาตมาก็ไม่รู้นะโยมคนไหนมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงอาตมาไม่รู้มันมก็เทศไปเป็นกลางๆที่ใครฟังแล้วเอาไปคิดเอาไปนึกเอาไปปรับใช้กับตัวเองเอาไปแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้คนนั้นก็ได้ประโยชน์ไปแต่บางคนที่บางทีรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นตรงเลยไม่เห็นถูกกับสถานการณ์เราตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นคนนั้นก็อาจจะฟังไปอย่างนั้นเอง อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะออกไปแก้หรือว่าไปคลายจิตคลายใจอะไรตัวเองได้เพราะฉะนั้นมานี่แล้วประโยชน์ที่สูงที่สุดทิวเจ้าบอกว่าคนนั้นจะได้ปัญญาหรือว่าได้ความฉลาดได้การพ้นทุกข์คือเอาไปแก้ปัญหาได้ถูกต้องแท้จริงเนี่ยจริงๆ จ, จะได้จากการคุยหรือว่าสนทนามากกว่าวันที่วัดเราเราก็มีแผนนะปฏิสันถาน ซึ่งบางทีญาติโยมมาแล้วเอา้าเรามาฟังทมกินอาหารกันเสร็จแล้วนะเราเองเรายังรู้สึกว่าคล่องคาใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องไหนเราสามารถที่จะไปคุยได้ณนะแผนกปฏิสันถันธก็จะมีสมณะท่านม า, านั่งนั่งประจำที่นะประจำตาแหน่งให้โยมได้สักถามได้เต็มที่ถามได้หมดตั้งแต่เรื่องครกจนยันเรื่อง <c oughs> เครื่องบินเรือรบอะไรอ่ะถามได้หมด นัน้ท่านสามารถที่จะคุยตอบตอบปัญหาให้เรานะแต่ว่าแล้วแต่สไตล์นะแต่ละลูกไม่เหมือนกันาบางลูกก็อาจจะอะไรอ่ะเด็ดขาดหน่อย <c oughs> บางลูกก็อาจจะอ่ะนุ่มๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลือกดัวเองนะ <c oughs> โยมก็ต้องเลือกดัเองเหมือนบนดนตรีอ่ะนั่นะเหมือนเพลงเนี้ยเราก็ต้องรู้จักเลือกฟังว่าเออองไหนที่พอจะถูกจริตเราเราฟังแล้วออคิดว่า เราจะได้ประโยชน์มากบางองค์นี่มีเหมือนกันนะบางรูปเนี่ยเราไปคุยด้วยแล้วมันไม่ตรงจริตเราเลยแล้วตอนนี้เราก็ไม่เข้าใจอีกเพราะอาตมายืนยันได้เลยว่าทุกรูปที่ท่านมาช่วยคุยมาช่วยตอบปัญหาให้กับเราเนี่ยท่านเจตนาดีทั้งนั้นแหละแล้วเจตนาดีมากๆด้วยบางทีมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเจตนาเนี่ยดีแน่นอนร้อยเปอร์ซนเต็มแต่ว่าบางทีมันไม่ตรงจริต มันไม่ตรงนิสัยกับโยมเันบางครั้งเนี่ยโยมอาจจะฟังแล้วมันมันรู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกไม่พอใจนะเขารู้สึกว่าเอ๊ยอย่างงี้มันมันอะไรอะ่ะไม่เห็นจะตรงประเด็นเลยอย่างงี้มันไม่น่า จ, จะไปแก้ปัญหาเราได้เลยคือคือถ้าโยมรู้สึกอย่างนี้อาจจะมาว่าเอออย่างนี้ไม่ดี่ะโยมเปลี่ยนที่นั่งดีกว่านะคือเปลี่ยนรูปไปไปคุยรูปอื่นดูอ่า นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าแต่รูปเนี่ยท่านจะมีประสบการณ์ของท่านมาซึ่งบางทีมันไม่ตรงกับโยมอ่ะแต่ว่าเวลาท่านแนะนําท่านก็แนะนําไปตามสิ่งที่ท่านประพืชมาท่านปฏิบัติมาแล้วท่านได้ดีมาเพราะท่านใช้วิธีนี้ท่านทําอย่างนี้มาแล้วท่านพ้นกิเลสมาได้ท่านพ้นทุกข์มาได้ท่านก็พยายามแนะในสิ่งที่ท่านได้ดีมาเพราะอย่างนี้ท่านก็จะแนะเรามาแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าจริตนิสัย นะ้รสนิยมอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยถูกสโสด ก, กันสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเลือกได้นะมีหลมีไหลที่นั่งให้เลือกมันโยมเองโยงก็ต้องฉลาดเองนะในเรื่องพวกนี้อ่าอันนี้ก็พูดให้ฟังในแง่ที่ให้เรารู้จักว่าการผ่อนคลายจริงๆเนี่ยที่หลายคนจะมีวิธีการผ่อนคลายอาตมาอยากจะให้ผ่อนคลายในลักษณะที่มันถูกทำ หรือผ่อนคลายแล้วทําให้แก้ปัญหาจริงๆถ้าผ่อนคลายแล้วไม่แก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มปัญหาแล้วคนนั้นไม่เพียงแต่จะเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองเท่านั้นนะคนนั้นก็จะต้องติดวิธีการนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะหนักในวิธีการนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยจนในที่สุดแล้วปัญหามันก็จะยิ่งพอกจนกระทั่งคนนั้นอาจจะในที่สุดแล้วระเบิดตูมตามในที่สุดคราวนี้ การแสดงออกหรือว่าการระบายของของคนคนนั้นเนี่ยยิ่งจะเร็วลงหรือเพื่อยิ่งจะต่าลงในที่สุดถึงขั้นนั่นแหละจะลงหยาบยาบได้ถ้าอาตมาเท่าที่สังเกตดูนะดูจากคนในวัดเนี่ยเท่าที่อยู่วัดมาหลายหลายปีถ้าเกิดเครียดนะบางทีอาจจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องคนเครียดเรื่องภารกิจอะไรก็แล้วแต่ สามอย่างใหญ่ๆที่เห็นที่จะออกที่จะปล่อยออกเอาเหลือแค่สองอย่างดีกว่าเอาสองอย่างใหญ่ๆนะไม่ไม่ไม่อยากพูดหลายประเด็นมากสองอย่างใหญ่ๆนะคือเรื่องกินกับเรื่องนอน <c oughs> สองอย่างนี้แม่เรื่องใหญ่มากนะเพราะบางคนเนี่ยทุกมีปัญหานะก็ไม่ไปปรึกษามไม่ไปหาทางออกที่ ท, ที่ที่ดีอ่ะนะคือบอกวนะทางออกที่ดีเนี่ย คือการที่เราเนี่ยเข้าไปหาผู้ที่เราปรึกษาได้นะยิ่งอยู่ในวัดเนี่ยมีนักบวชมีสมณะมีเพื่อนปฏิบัติธรรมโอ้เยอะแยะให้เราได้ปรึกษาหรือว่าถ้ากลัวว่าแม้ปรึกษาแล้วอาจจะไม่ได้ผลนะ้โยมรู้สึกหนักอกหนักใจจริงๆก็นโน่นเลยไปถึงพ่อท่านเลยก็ได้ท่านหนักอกหนักใจรู้สึกว่าในวัดนี้มองหน้าแต่ละคนแล้วไม่มีใครจะช่วยฉันได้อ่ะนั้นะนอกจากพ่อท่านรูปเดียวเท่านั้น เอาเลยถ้ามันหนักใจถึงขนาดนั้นอแต่ถ้าไม่ดูหมิน่นพวกอาตมาจนเกินไปนะพวกลูกลูกพ่อท่านเนี่ยนะถ้าไม่ดูหมิ่นกันจนเกินไปเอาไม่แน่นะบางทีพอช่วยกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเอา้าบางทีมาปรึกษาได้ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยไม่อะนะพอเวลารู้สึกถึงเครียดพอรู้สึกทุกข์ร้อนมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็ไม่พูดคุยกับเพื่อนฝูงด้วยนะไม่หาทางที่จะแก้ในทางที่ดีเพรา ะ, ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะ ตกตรงที่เรีกว่าจะพยายามจริงๆก็ดีอยู่อย่างว่าจะพยายามพึ่งตัวเองมั้นใช้ตัวเองแก้เอาเพราะฉะนั้นแก้ก็คือบางคนกินมากขึ้น <c oughs> มื้อเดียวอาจจะไม่พอมื้อเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะจริงจริงๆถ้าขืนไม่ได้อะไรที่มันมามาระบายอารมณ์ได้เนี่ยไออารมณ์จิตที่มันเสียเนี่ยความตึงเครียดนี่เป็นอารมณ์จิตที่มันเสีย นะมันจะเน่าในมันถ้าไม่โดนการถ่ายเทออกไปไม่โดนการาปรับแก้ให้หายนะมันเน่าในจริงๆโอ้โหล่วคนนั้นจะอัตมาเคยเห็นนะคนอยู่วัดเนี่ยโอ้โหออกมาหน้าดาตัวดำเลยนะทั้งที่ปกติคนนั้นตัวขาวเอออัตมาในชีวิตไม่เคยเห็นนะแต่มาอยู่เนี่ยนะอยู่สันติสโขเนี่ยเคยเห็นถึงบอกโอ้โหคิดไม่ถึงจริงจริงว่า จิตของคนเราที่มันกดดันอยู่ภายในนี่โอ้โหมันจะออกมาถึงขนาดนี้จากคนตัวขาวนี่กลายเป็นตัวดำได้อาตมาไม่สงสัยเปลววุ่นจินเลยโดยตัวดำแต่อันนั้นดำโดยโดยชาติกำเนิด น, นะแต่อันนี้ดำโดยโดยอำนาจของจิตเพราะจิตมันมีพลังจริงๆวันถ้าคนนั้นเนี่ยนะถ้าปรึกษาใครก็ไม่ปรึกษาเสร็จแล้ว ถ, ถ้ากินก็ยังไม่ได้กินอีกนะอาตมาว่า มันไม่ใครดำคราวนี้มันจะเกรียมนะนะตัวจะเกรียมจะไหม้แน่ๆเลยเป็นยังไงตัวจะเกรียมจะไหม้คือโอ้โหบางทีนี่อวัยวะหรือว่าอะไรต่างๆนี่มันจะรวนไปหมดเลยจนกระทั่งสามารถที่จะทาให้เจ็บป่วยเป็นโรคกระเพาะนะไตอักเสบอะไรอะ่ะดี ม, ม้ามตับโอ้โหนะเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาได้เลย ม, ม, มันมันมันมีมันมีอำนาจถึงขนาดนั้น เพราะนั้นบางคนก็เลยเนี่ยพอมีความกดดันมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรขึ้นมาในชีวิตต่อให้อยู่วัดนะก็ลพูดถึงคนวัดตอนนี้บางทีขึ้นมานี่โอ้โหลงเลยบางคนลงเรื่องกินแต่ก่อนเคยตั้งตะบะว่าไม่กินไอ้นั่นก็ได้ไม่กินใอนี่ก็ได้แต่พอพอตอนจิตมันอ่อนแอเนี่ยโอ้โหอะไรที่อยากจะกิ น, นมัน บางทีนี่นะไม่มีนะยังต้องไปหามากินให้ได้เพื่อที่เพื่อแค่อะไรรู้ไหมเพื่อแค่มันได้สมใจอยากพอเรารู้สึกว่าได้สมใจอยากแค่นั้นเองอมันรู้สึกคลายทันทีเลยจิตที่มันรู้สึกกดดันมันคลายทันทีบางคนเราที่มันตึงเครียดมากๆเนี่ยเพราะมันมันไม่มีอะไรที่มาให้สมใจมาให้ได้เสพมันก็ไม่คลายอยู่อย่างนั้นแต่บอกแล้วว่าจริงเราต้อง หาวิธีแก้หาอะไรที่มาเสพที่มาทําให้เราสมใจบ้างเพื่อที่ความตึงเครียดเราจะได้คลายลงไปแต่ต้องหาให้ถูกทำต้องหาให้ถูกวิธีบางคนเนี่ยมาตั้งตาบากาตมาเนี่ยนะยิงช่วงคำบรรชาเนี่ยจะมีการตั้งตะบากเยอะเพราะบางคนมาเขาบอกว่าแต่ก่อนนี้นะโอ้เขาทํางานทําการเขายิ้มแย้มเขามีความสุขมากเลยแต่ตั้งแต่มาตั้งตาบากกับท่านเนี่ยรู้สึกดิฉัน รู้สึกว่ามโมโหมากขึ้น <c oughs> นะรู้สึกแปแปดแปดแปดกับคนข้างๆมากขึ้นเพราะอะไรอ่ะเพราะเพราะว่าตั้งตาบานเนี่ยมันต้องใช้พลังจิตมาสู้กับกับกิเลสตัวเองที่เราตั้งขึ้นมายิ่งโดยเฉพาะบางคนตั้งขึ้นมาก็ไม่ตั้งเรื่องอื่นด้วยนะตั้งเรื่องกินด้วยนะออเคยทุกวันเนะี่ยเคยได้กินขนมเสร็จแล้วมาตั้งไม่กินขนมไม่กินขนม พอจะหยิบทีก็ อ, อ๋อตะบะเราตะบะเราอย่ากินอย่ากินแล้วก็พยายามสู้ถ้าถ้าคนนั้นเนี่ยสู้โดยกดดันเก็บกดเขาเรียกว่าเก็บกดสู้โดยไม่รู้จักผ่อนคลายจิตตัวเองไม่รู้จักที่จะสร้างเขาเรียกว่าปิติสุขเกิดขึ้นให้กับตัวเองว่าเออการที่เรางดเว้นการที่เราไม่กินได้เนี่ยโอ้โหนี่เราได้บุญบารมีเราได้ศีล น, นะเราได้ความดีงามเพิ่มให้กับใจเรานะ แล้วเาก็ช่วยแสดงให้เห็นเลยว่าคนเราสามารถที่จะอดสามารถที่ยังงดได้กิเลสนี่เราสามารถฆ่ามันได้คือคือถ้าคิดอย่างวิปัสนาคิดอย่างถูกถูกต้องเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นปิติจะเป็นสุขที่จะมาหล่อเลี้ยงทำให้คนนั้นก็อดอยู่นะตั้งตาบะอยู่ทำได้อยู่แต่ไม่กดดันเพราะมันมีสภาพที่สมใจอะไรที่สมใจคราวนี้เป็นความสมใจที่เรา มีปิติมีสุขในการที่เราทําได้จริงอาจจะเป็นลาบยศหรือว่าสารเสริญจากเพื่อนเพื่อนฝูงแบบโอ้โหคนนี้เก่งนะโอ้โหนี่ไม่กินขนมมาตั้งเจ็วันแล้วเหรอกูเก่งนะงั้เราก็อปลื้มนะภูมิใจจริงมันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นะแต่มันเป็นกิเลสที่มันเป็นปิติเป็นสุขที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะงดเว้นกิเลสตัวที่เราติดตัวขนมนั้นได้ อพอได้อย่างนี้มาแล้วเราเอาสายปิติอย่างนี้อย่างนี้แหละจะมาลดความกดดันความเก็บกดของเราลงไปแล้วคนนี้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายตัวเองขึ้นมาแล้วจะทําไปได้ยาวจะทําไปได้นานทําไปได้ตลอดแต่คนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เป็นพอเวลาไปต่อสู้กับกิเลสเนี่ยในขณะที่ต่อสู้อยู่สมมตินะอะ่ขนมผ่านเนี่ยตั้งตบาบ่าว่าไม่กินขนมพอเวลาขนมผ่านมาจะหยิบใช่ไหม อ, อกก๋อยิบไม่ได้ยิบไม่ได้อย่า ก, กินอย่ากินนะเสร็จแล้วยังไงเอ่าเลื่อนไปแต่นั้นก็นาที่เลื่อนไปสายตาก็ค่อยๆตาม <c oughs> <c oughs> ขนมนั้นไปนะตามไปแล้วคิดยังไงโอ้โหนี่ของที่เราชอบนะออืมันอร่อยอย่างนั้นนะมันอร่อยอย่างงี้นะคือเราไปคิดในสิ่งที่อยากเสพน่าอยากกินมันอยากชอบมันคืออย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้ความอยากความอยากที่เรามีอยู่เนี่ย นะยิ่งโอ้โหเรียกน้ําย่อยใหญ่เลยอะ่ะมันยิ่งยากหนักขึ้นยิ่งอยากหนักขึ้ น, น, น, นถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งเก็บกดแล้วก็กดดันมันจะไม่มีปิติอะไรที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงะะนั้นคนนี้เนี่ยถ้าไปถือศีลอยู่ที่บ้านก็ตามไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ตามอาตมาบอกได้เลยว่าไปไม่รอดนั้นไปได้ไม่กี่น้ําหรอก <c oughs> นะเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ล่มนั้นจะต้องเข้าใจวิธีการผ่อนคลายทีม่มันถูกต้องขึ้นมา ถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วหลายคนที่กลัวการตั้งกระบะหรือกลัวว่าจะต้องมาถือศีลเพิ่มกลัวที่จะมาลดกิเลสเนี่ยกลัวอะไรล่ะกลัวไม่ได้เสพสมใจกลัวไม่ได้กินอย่างนั้นอีกกลัวไม่ได้ใช้อย่างนั้นอย่างอย่างที่เราติดนั้นอีกไอ้ความกลัวตัวนี้แหละที่มาทาให้โยมไม่มีวันเจริญขึ้นในทางธรรมไม่มีทางเลย เพราะว่าคนที่กลัวอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าคน น, นั้นเนี่ยคอยคิดอยู่ตลอดเวลาหรือคอยเสริมใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยว่าว่าอะไรว่านี่ของชอบแล้วนะนี่ของชอบแล้วนะถ้าเราไม่ได้กินเนี่ยโอ้โหเราต้องทุกข์นะเราต้องอไม่สบายนะเราไม่มีความสุขนะคือมันมันมันคอยอย่างเงี้ยสะกดจิตตัวเองเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยจะกลัวความอดจะกลัวความยากลําบากเพราะฉะนั้นคนนี้จะไม่ยอมทําเป็นอันขาด เมื่อคนนี้ไม่ยอมทำคนนี้ไม่มีทางที่จะสูงขึ้นไม่มีทางที่จ ะ, จะเจริญขึ้นได้นะศีลมีอยู่แค่ไหนเคยทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นจะไม่มีอธิศีลจะไม่มีการตั้งตะบากขึ้นมาเพราะมันยังหวงมันยังเสียดายไอ้สิ่งที่เราจะเอามาบารุงบาเรอใจเราให้สใจเราเอาไว้เพราะเราเข้าใจผิดเราคิดว่าการหล่อเลี้ยงอันนี้แหละจะทำให้เรามีความสุขไปตลอดโดยที่ความจริงโยมยังไม่รู้ว่า ว่าความสุขจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเราสามารถลดละกิเลสลงไปได้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วเราลดได้นะกิเลสมันลดลงมันลดลงมันลดลงเนี่ยความเบาสบายของจิตใจโยมเนี่ยจะยิ่งมากขึ้น